การปฏิเสธความจริงคือที่มาของทุกข์มีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่ต้องเป็นทุกข์เพราะพยายามต่อสู้ไม่ให้แก่นับว่าเป็นการต้องเป็นทุกข์เปล่าจริงๆเพราะถึงอย่างไรก็หนีความแก่ไม่พ้นทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกคนต้องแก่เช่นนี้แล้วน่าจะพิจารณาดูว่าควรจะทุกข์เพราะกลัวแก่หรือไม่ควร การที่จะห้ามไม่ให้ตกแต่งบำรุงรักษาร่างกายของแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งห้ามกันได้ยากยากทั้งที่ผู้อื่นจะห้ามและยากทั้งที่ตัวเองจะห้ามใจตัวเองด้วยดังนั้นทางที่ดีก็น่าจะให้เป็นว่าตกแต่งบำรุงรักษากันไปพลางแต่ก็ต้องมีสัญญาคือจำไว้ให้ได้ด้วยว่าถึงอย่างไรก็ไม่มีใครหนีความแก่ได้ทุกคนต้องแก่ เราเองก็ต้องแก่เป็นหลักธรรมดาเป็นสัจธรรมฝืนไม่ได้แก้ไขไม่ได้การปล่อยใจให้เป็นทุกข์กลัวความแก่อยากจะหลีกเลี่ยงความแก่คือการยอมให้ใจตกอยู่ใต้อำนาจของโมหะความหลงผิดประการหนึ่งผู้ต้องการยกระดับจิตทําจิตให้เบาบางจากกิเลส ต้องแก้ความหลงผิดประการนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันจึงจะสามารถมีความสุขได้ไม่เช่นนั้นทุกครั้งที่ส่องกระจกเห็นตนเองเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของตนเองจะเกิดความทุกข์จิตใจเศร้าหมองเพราะอำนาจโมหะความหลงผิดที่ต้องการจะไม่แก่จิตใจที่เศร้าหมองจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น แก่ก็จะต้องแก่และจะเป็นการแก่อย่างเศร้าหมองไม่ผ่องใสแต่ถ้าเลิกกลัวแก่เสียได้โดยอาศัยสัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงก็จะเป็นการแก่ที่ไม่เศร้าหมองที่ผ่องใสใช้สติและใช้ปัญญาโดยอาศัยสัญญาพิจารณาให้เห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขัง เป็นทุ์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาไม่อยู่ใต้อำนาจการบังคับบัญชาหรือความปรารถนาต้องการของผู้ใดสังขารร่างกายนี้ก็เช่นกันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาคนเป็นจำนวนมากพยายามต่อต้านความแปรรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารหรือพูดง่ายๆว่า พยายามต่อต้านความแก่พยายามจะไม่ให้ตนแก่นั่นก็เป็นเพราะมีโมหะความหลงผิดคิดว่าคงจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ผลสมปรารถนาคือทำไม่ให้แก่ได้ซึ่งถ้าโมหะความหลงผิดนั้นสิ้นไปเมื่อไรก็จะรู้ชัดว่าไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะยับยั้งความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายได้เลยย่อมมีโมหะความหลงผิดอีกชั้นหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้พยายามต่อต้านความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายมีให้ผ่านจากหนุ่มสาวไปสู่ความเท่าชรานั้นคือความหลงผิดคิดว่าความสวยสดงดงามของความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นมีความสำคัญเหนือความดีถ้าไม่มีความหลงผิดเช่นนี้แล้วก็จะต้องพยายามทำความดีสร้างความดี อบรมจิตใจให้มีความดียิ่งกว่าที่จะพยายามบำรุงรักษาร่างกายต่อต้านความแก่ชราการพยายามบำรุงรักษาร่างกายให้มีกำลังแข็งแรงเสมอเป็นการดีแต่การพยายามบำรุงรักษาจิตใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยความดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นการดียิ่งกว่าผู้มีปัญญาเห็นถูกยอมจะเห็นเช่นนี้แต่ผู้มีโมหะความหลงผิด ย่อมจะไม่เห็นเช่นนี้ย่อมจะถูกโมหะความหลงผิดนี้นำไปสู่ความหลงผิดอีกชั้นหนึ่งดังกล่าวแล้วคือความหลงผิดว่าจะสามารถต่อต้านความแปรรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายได้และเมื่อทำไม่ได้สำเร็จก็จะเกิดความทุกโมหะย่อมนำให้เกิดทุกต่า ง, างกันเช่นนี้ สามีภริยาที่อยู่กันจนแก่เท่านั้นมิใช่ว่าจะไม่เลยเห็นความแก่เท่าของกันและกันแต่ทั้งๆ ท, ที่เห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็นเพราะมีสิ่งอื่นที่เห็นเด่นชัดกว่ามีความสำคัญเหนือกว่าสิ่งนั้นคือความดีที่มีต่อกันสามีภริยาที่แยกกันตั้งแต่ยังไม่แก่ไม่เท่าไม่ใช่ว่าจะนึกล่วงหน้าไปถึงความแก่เท่าไม่สวยไม่งามของแต่ละฝ่าย ที่จริงก็ยังเห็นความสวยงามความหนุ่มสาวของกันและกันอยู่แต่ทั้งทั้งที่เห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็นเพราะมีสิ่งอื่นที่เด่นชัดกว่าสาคัญกว่านั่นคือการไม่เห็นความดีของกันและกันแม้พิจารณาความจริงนี้ให้เห็นด้วยปัญญายอมไม่เดือดร้อนกลัวความแก่ย่อมเห็นจริงว่า ความดีสำคัญกว่าความสวยสดงดงามของหนุ่มสาวย่อมเบิกบานที่จะใช้ความคิดและสติปัญญาสันร้างความดีเต็มความสามารถผู้ที่ทำความดีสม่ำเสมอจะมีความดีเป็นนิสัยเป็นพื้นใจผู้มีปัญญาย่อมเห็นจริงเช่นนี้แต่แม้จะยังไม่เกิดปัญญาเห็นจริงด้วยตนเองยังมีโมหะความหลงผิดอยู่ ก็อาจทำปัญญาในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีที่กล่าวแล้วคืออาศัยสัญญาเป็นทางดำเนินจำที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วพิจารณาตามไปจนเกิดปัญญาของตนเองเห็นจริงตามว่าความดีทำให้เสมอจะยังใจให้เป็นใจที่ดีและใจที่ดีนี้แหละเป็นใจที่มีค่าเหนือค่าของสิ่งอื่นใดทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีโมหะความหลงผิดอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้จักความดีไม่ถูกต้องตามเป็นจริงไปถือเอาความไม่ดีเป็นความดีถือเอาความดีเป็นความไม่ดีนี้ปรากฏมีอยู่เสมอเช่นถือเอาการที่สามารถสร้างตนให้มั่งมีขึ้นได้โดยวิธีไม่สุจริตว่าเป็นความดีแล้วถือเอาการที่ต้องยากจนเพราะไม่ใช้วิธีทุจริตว่าเป็นความไม่ดี เป็นต้นโมหะความหลงผิดเช่นนี้ทำให้คนทำผิดโดยคิดว่าเป็นถูกจึงทำได้ทำเอาไม่ตะขิดตะขวงและไม่หยุดยัง้งสำหรับผู้ทำเพื่อเงินก็ทำอย่างที่เรียกกันว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งก็เพราะอำนาจของโมหะเท่านั้นทำให้เป็นไปคือเมื่ออำนาจของโมหะทำให้เห็นว่าทำเช่นนั้นถูกทาเช่นนั้นดี แล้วทำไมเล่าจึงจะไม่ควรทำต่อไปในเมื่อเป็นการทำถูกเป็นการทำดีเมื่อใดสามารถทำลายโมหะความหลงผิดในเรื่องเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเสียได้แม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำความชั่วความไม่ดีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้จะรู้จักตะขิดตะขวงจะรู้จักยับยั้ง ทั้งนี้ก็เพราะอำนาจของปัญญารู้ตามเป็นจริงช่วยยับยั้งไว้ก็ใครเล่าที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของโมหะความหลงผิดจะยินดีทำความชั่วจะไม่ยินดีทำความดีพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าการกระทำทุกอย่างมีผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่มีโมหะความหลงผิดจะไม่มีใครทำชั่วจะมีแต่คนทำดี โมหะจึงเป็นเหตุแห่งการทำชั่วที่จะนำให้เกิดผลชั่วโมหะจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพยายามทำให้ลดน้อยลงจากจิตใจของตนเป็นลำดับลำดับไปด้วยการอบรมปัญญาทางพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันความสุปรกล้างได้ด้วยน้ำสะอาดฉันใดโมหะความหลงผิด ก็ทำลายได้ด้วยปัญญาฉันนั้นจบเสียงอ่านหนังสือพุทธวิธีแก้หลง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหาร